อันหนึ่งในหมู่ชาวพุทธจำนวนมากทีเดียวนิยมพูดถึงคุณสมบัติของพระอรหันต์และพระอริยบุคคลอื่นๆในเชิงละหรือเชิงลบโดยกาหนดด้วยกิเลสที่ละได้หรือหมดไปแล้วเช่นว่าพระโสดาบันละสังโยชน์ได้สพระสกทาคามีละสังโยชน์สามนั้นได้และทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปอีก พระอนาคามีละสังโยชน์เบื้องต่ำได้หมดทั้งห้าและพระอรหันต์ละสังโยชน์ได้หมดสิ้นทั้งสิบหรือพูดถึงคุณสมบัติของพระอรหันต์ได้สั้นๆเพียงว่าคือท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะหรือว่าหมดกิเลสหรือว่าไม่มีโลภโกรธหลงวิธีพูดแบบนี้ก็ดีในแง่ที่ว่าพูดได้ชัดวัดได้ง่ายแต่มองได้แคบ ไม่เห็นชัดออกมาและกว้างออกไปว่าพระอรหันต์และอริยชนนั้นมีคุณสมบัติพิเศษมีคุณลักษณะเด่นดำเนินชีวิตที่ดีงามมีคุณค่าและทำคุณประโยชน์แก่โลกอย่างไรที่จริงคำและข้อความที่กล่าวถึงคุณสมบัติของพระอรหันต์ในเชิงบวกก็มีไม่น้อยแต่ถ้าเป็นคำบรรยายหรือพันนาก็มักมีเนื้อความกว้างขวาง ยากที่จะสรุปมาวางให้จับใจความได้อย่างมีลำดับเป็นขั้นๆหรือเป็นข้อๆหรือไม่ก็แสดงไว้เป็นเรื่องเฉพาะกรณีไม่ใช่คุณสมบัติร่วมที่เสมอเหมือนทั่วกันแก่ทุกท่านในที่นี้จะเลือกคำที่เป็นคุณบดคือคาที่ใช้เป็นคุณนามซึ่งแสดงคุณสมบัติและคุณลักษณะของพระอรหันต์ได้กว้างขวางครอบคลุมอย่างเป็นประบบสรุปก็ง่าย ขยายก้ความก็ชัดขอนํามาบอกไว้เป็นตัวแทนของคำอื่นทั้งหมดและเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เองบ่อยด้วยคำที่ว่านี้คือพาวิตัตตะหรือพาวิตัตซึ่งแปลได้ตรงตัวว่าผู้มีตนที่พัฒนาแล้วหรือผู้ได้พัฒนาตนแล้วเป็นคำที่ใช้แก่พระอรหันต์ทั้งหมดทั้งพระพุทธเจ้าพระปัจเจ้ พ, พุทธเจ้า และเหล่าพระอาหารหันตสาวกดังในมหาปรินิพานสูตรเล่าความระหว่างเสด็จสู่สถานที่ปรินิพานเรียกพระพุทธเจ้า ว, ว่าองค์พระพาวิตัต์ดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแม่น้ำกากุทานทีอันมีน้ำใสจืดสะอาดเสด็จลงทรงสงและเสวยแล้วอันหมู่ภิกษุแวดล้อมเสด็จไปในถ้ำกลาง เสด็จเข้าสู่อัมพวันแล้วรับสั่งกับภิกษุนามจุนทกะว่าเธอต้องช่วยปูผ้าสังฆาติซ้อนสี่ชั้นให้เป็นที่เราจะนอนพระจุนทกะนั้นอันองค์พระพาวิตัรส่งเตือนแล้วได้ปูผ้าสังฆาติพับเป็นสี่ชั้นถวายโดยพลันแม้ที่เมตกูมานก์ทูลถามปัญหาในโสรถปัญหาก็ทำนองเดียวกันว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ขอทูลถามขอจงตรัสบอกความนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์ย่อมสําคัญพระองค์ว่าทรงเป็นพระเวตคูผู้ถึงเวทเจนจกวิ ช, ชาทรงเป็นพระภาวิตรัดจึงขอทูลถามว่าประดาความทุกข์เหล่านี้ที่ประดังพรั่งพรูขึ้นมาในโลกมากมายหลายหลากเกิดมาจากไหนกันหนอพระพุทธเจ้า ตรัสเปรียบท่านผู้พัฒนาตนแล้วคือพระอรหันต์ที่เป็นพระหูสูตรว่าเหมือนในเรือผู้ฉลาดสามารถพาคนจำนวนมากข้ามน้ำไปให้ลุถึงจุดหมายได้โดยปลอดภัยดังพุทธพจน์ในนาวาสูตรกุตกานิกายสุตตนิบาตว่าเหมือนดังว่าบุคคลขึ้นสู่เรือที่มั่นคงมีพายมีถอพร้อมมูลเขามีความรู้คิด เป็นผู้ฉลาดรู้วิธีจัดดำเนินการในเรือนั้นพึงช่วยผู้อื่นแม้จำนวนมากในเรือนั้นให้ข้ามน้ำไปได้แม้ฉันใดบุคคลใดเป็นเวทคูเจนจบวิชาเป็นพาวิตรเป็นพระหูสูตรมั่นคงอย่างที่โลกธรรมจะให้วันไหวไม่ได้บุคคลผู้นั้นมีปัญญารู้ชัด ก็พึงช่วยผู้อื่นที่มีพื้นอุปนิสัยตั้งใจสดับให้พินิษธรรมสำเร็จได้ฉันนั้นพุทธพจน์ในโลกสูตรกุดตกานิกายอิติวุตกะต่อไปนี้ซึ่งมีสาระ้ายประสูตรก่อนนั้นแต่กลุมความกว้างขวางกว่าก็น่าศึกษาดังความที่มีมาดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามประเภทนี้เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อการุนแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลสามประเภทเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจารณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวะได้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกธรรมพระตถาคตรพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถ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 สาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นแหลเป็นอรหันตขีนาศพหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกท่วนพระสาวกนั้นแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายแม่บุคคลที่สองนี้เมื่ออุบัตขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อการุนโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นแลที่ยังเป็นผู้ศึกษายังปฏิบัติอยู่เป็นพระหูสูตรประกอบด้วยศีพลพร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 เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายพระศาสดาแลผู้สแสวงคุณยิ่งใหญ่เป็นบุคคลที่หนึ่งในโลกตามต่อมาคือพระสาวกผู้พาวิตัดถัดจากนั้นไปคือเสขสาวกผู้ยังปฏิบัติอยู่ที่เป็นพระหูสูตรประกอบด้วยศีลพรตบุคคลสามประเภทนั้นเป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่เทวะและมนุษย์เป็นผู้สา์สองแสงสำแดงสัจธรรมเปิดประตูอมตะช่วยปลดเปลื้องพระหูชนให้หลุดพ้นจากเครื่องผูกัดชนเหล่าใดดำเนินตามอริยมรรคคาที่พระาศาสดาองค์ผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วหากไม่ประมาทในาศาสนาธรรมขององค์พระสุคตก็จะกระทาความจบสิ้นแห่งทุกได ในอัตภาพนี้แลพึ้งสังเกตว่าบุคคลที่สามคือพระอริยาสาวกที่เป็นเสขะยังเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติยังไม่เป็นผ่าวิตร